ว่าเป็นของสุขรกสำหรับในด้านชาโลอกีองค์สมเด็จพระจินทร์สีให้พิจารณาโชคขณัติอีหมายถึงว่าาขณักที่จะรวบรวมกาลังใจให้ทรงอารมณ์เป็นสมาธิพิจารณาข่มใจไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นทาาของกามารมณ์ จะไม่ยอมแม้อารมณ์ของตามารมณ์เตรียมน้าเหนียวใจทั้งหมดแล้ข่มใจทรงจิตให้ทรงตัวพิจนาถนัดผมขนเล็บปันหนังเนื้อตัดไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะว่าเป็นของโสบหรกโสโครกอารมณ์ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ไม่มาก ยังสามารถที่จะนายเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงช่วระยะทั้งสองสามนาทีตอนหนึ่งวาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงดีบังคับไม่ทรงเร่งรัดให้ทรงปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทา เอาว่ามัจิมาปฏิปทาก็หมายถึงว่าทำแบบสบายๆกลางๆไม่ขี้เกียดเกินไปไม่ขยันเกินไปการเคร่งเพียดเกินไปเป็นการทําลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความหุนหานผู้ง่านมีความลําบากเมือารมณ์เครียดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาทและถ้าว่าจะมีการเกิดค้ายเกินไปก็ใช้ไม่ได้เอาดีไม่ได้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 สิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างให้หมดไปภายในพิษกาเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปล่อยสนิมเกาะมาเป็นแสนปีอยู่ๆก็จะมาเคาะหนึ่งทีสองทีให้สนิมหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะแข็นของสนิมมันหนามากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกทรงทงกัดว่าให้ค่อยๆทํา ค่อยค่อยคิดแต่ก็คิดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดให้เวลาใกล้ควรไม่หยุดเวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริงดลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกปรกหรือสะอาดเวลาผายอุจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจาระสกปรกหรือสะอาดถ่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวะสกปรกหรือสะอาด น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหลังไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสอกปรกหรือสะอาดอาหารที่กําลังบริโภคอยู่เคี้ยวเคี้ยวเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเลยปฏิกริยานิสัยญญมักจะมีความรู้สึกว่าอาหารไม่มีรสอร่อย อาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นอะไรพิเศษมีความพอใจถ้าคิดว่าอาหาร เ, เล็กน้อยทีละเอียดพอสมควรก็พูดออกมาพูดออกมาหลายหลายคราวแล้วกลับบริโภคเข้าไปใหม่อาตมาคิดว่าหาคนทําได้ยากท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ทุกคนก็จะพาไปเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเสียแล้วมีการพิจารณาเมื่อสภาพว่าสกปรกในร่างกายของตนมีความสําคัญเพราะเมื่อร่างกายของตนเองมีความสกปรกก็พิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้มีเรื่องไรเรื่องเสียแตไม่จะไม่ขอถวายถ้าพอได้ทงสาบ เพราะว่าพระมหาบพิตก็ทรงทราบดีแล้วเพราะว่ามีพระราชจริยาวัดความสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยละเอียดยิ่งไปกว่านี้ถ้าจะกล่าวไปก็ยาวความกล่าวออกมาเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าพระมหาบาาพิตทรงทราบได้ตลอด ว่าการพิจารณาจิตในด้านอางสุภกรรมฐานกับกายกัตตานุสติไม่ได้ว่างที่ทรงชานโลกีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผูโทชนในตอนนี้เพียงแค่ใช้อารมณ์ระงับโชคคราวเท่านั้นว่าการระงับโชคคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งแล้วสองสาม น, นาทีก็ตามถ้าทําไปบ่อยๆ อ, อารมณ์จิตก็จะเกิดความชิง เหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนวันแรกตัวกก็อ่านไม่ได้จําไม่ได้เขียนไม่ได้แลเรียนานานๆไปความเคยชินปรากฏก็สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างในหลักวิชา ค, ความรู้ในการจเจริญรักรรมฐานและด้านสุภสัญญาก็เช่นเดียวกันใน <c oughs> การปราบราคะจริต ก, ก็เช่นเดียวกันค <c oughs> ่อยๆทําไปครั้งละเล็กครั้งละน้อย นักเข้านักเข้าจิตก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมงหนชั่วโมงสองชั่วโมงคุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับการมารมุมด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตว์ะวัตถุคำว่ากามารุมอารมณ์รมณประกอบไปเลยคำว่ากา ร, การแปลว่าความใครอยากจะได้เข้ามาไม่ใช่หมายความทั้งว่าร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไป การตีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนนหลายที่ไม่เข้าใจก็มักจะคิดตว่าราคาจรติต้องเป็นเรื่องของเพศระหว่างเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ความพอใจในความสวยสดงดงามของวัตถุพอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่ อะไรก็ดีอย่างนี้จักว่าเป็นราคะจริตหมดสำหรับพระมาหาบาสสาพิตรอาตมาทราบว่าถาวายพระพรมาเพียงเท่านี้พอเข้าประไทยดีมากว่ามีพระสติปัญญาเฉยบแหลมเป็นกรณีพิเศษแต่คนอืน่นอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมาและคนแ ต, ต่งตัวให้เรียบร้อยจึงมีราคะจริต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 ว่าการทำความดีเป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความดีจัดบ้าสะอาดทำให้จิตใจสบายใจสะอาดไปด้วยใจเครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรกวมหัว่าใจสบายการทำจริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีเพราะทำจิตใจให้เป็นสุขคนรี้ว่ามองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดี แต่ว่าแต่จะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทำไมองค์สมเด็จพระ จ, ศศจิังสีเจรีญเวราคาจิตต้องหาทางตัดกันอันนี้ก็ต้องถวายประพนว่ายัางเนื่องอยู่ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเรื่องความสะอาดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้และมีการบังคับเป็บรรดาพิสุสงฆ์ทหลายปฏิบัติให้เคร่งครัด ถ้าพระองค์ใดไม่มีความสะอาดลอยให้แล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงท่านก็ทรงปรับเป็นโทษอันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาดแต่ความสะอาดในที่นี้องค์สมเด็จพระจีนสรีทรงตัดเพื่ออนามใหม่เท่านั้นไม่จะมีความผูกพัน สำหรับบุคคลที่เป็นปุตุชนคธนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความว่ามีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดก็รู้สึกว่าจะมีความไม่สมบายใจความไม่สมบายใจเกิดขึ้นเป็นปันจจัยของความทุกข์ดันั้นต้องวางอารมณ์เสีย ทำใจให้สบายว่าส่วนใดที่ดูแลความสะอาดได้ดีก็ทำถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จำที่ต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เพียนั้นว่ากำลังของปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปดูกิเลสองสมเด็จพระพุทธมรรคกิจเชยดไม่มได้ขาดคันว่าจะต้องตัดกายยกตานนสติ เมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจึงกระท่งไม่ยึดถือเอาเลยหรือว่าพิจารณาเมื่อร่างกายเป็นอาศพจึงกระทั่งไม่ยึดถือเอาเลยแต่ได้เพียงว่าให้ยับยังมีความรู้สึกไปบ้างในบางขณะว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นของไม่สะอาดไม่ไม่ควรที่จะมามัวเมาในร่างกายของตัวและร่างกายของบุคคลอื่น แสดว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์เช่นนี้บางครั้งก็ทำกาอารมณ์หร้อทำเป็นปกติบางดีไม่ดีก็ทำกาเมสุมิช้าจานไปเลยนี่สำหรับโพชฌานโลกีนี่เจ้ากำมาสู่อารมณ์ของชานโลกุตระถ้ามีอารมณ์เป็นบสโนดาบันใได้กายยิกตานุสติอสุภกรรมไถนก็ยังไม่มีความหมาย ยังมีกําลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีพันญามีลกูกมีเจ้าดูตัวอย่างนาวิสาขากับพัญญาของพระองคุกตรมิตรหญิงทั้งสองคนนี้เป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปี <c oughs> แต่ทั้งสองคนก็มีสามีมีบุตรมีพิมดาเหมือนกัน เป็นอั น, นเรื่องการมารุมยังเต็มอยู่สำหรับพระสงด่าบันและก็ยังมีความรักสวยรักงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามเขาก็ไม่แต่งงานแล้วอย่างนากวิสายขาก็มีเครื่องประดับราคาที่สิหกกอดอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างวิหารในองค์สมเด็จพระทศพลข้าวตละผืนยิงผู้เป็นเพื่อน มีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคาห้าแสนกหาปะนะัญะปู ล, ลงไปไม่ได้เพิ่มผ้าในกุฏินั้นแต่ละผืนราคามากกว่า น, นั้นของที่จัดถวายก็จัดประเด็นของเลือดทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องดีทุกอย่างนี่แสดงว่าพระโสดาบันก็ยังมีการมาราคะยังมีราคะจริตเต็มตัวยังไม่ยัยัง ต้อกั at, ้นดำเนินไว้ได้ด้วยการเมสมิมชาจารันอำนาจสิงกั้นไม่ให้ทำการเมสุเมชาจันเท่านั้นความรักสวยรักงามการวางในร่างกายยังไม่ได้วางเลยนี่ต่อไปเข้าถึงพรักสกิทาคามีในตอนนี้ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระจีนสี ทรงจัดว่าพระสกิตาคามีก็ละสังโยชน์ดได้เท่าพระโสดาบันคือกายส ก, กายยะทิฏฐิส ก, กายยะทิฏฐิก็ามาโสดากศิธาคายังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกเบาๆที่เร่งกล่าวว่าพระโสดากศิธาคาเป็นด้านอาทิศีลกิจศีขา <c oughs> เป็นผู้มีศีลดีเท่านั้น ยังไม่ถึงหน้าที่กิตสิคขาฉะนั้นในด้านกายในด้านกายยกระดาษกายยิติิจึงพิจารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันจะต้องตายเป็นปกติเราไม่สามารถจะยับยั้งมันไม่ได้แต่ว่าก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นเราข อ, ของเราอยู่เพียงรู้ตัวดีกว่าผูท้ทนคนผู้หนานแน่นไปด้วยกิเลส ที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความมีความเมาร่างกายเป็นปกติคิดว่าตนจะส่งอยู่นี่ถ้าพิจารณาตามกันแสบสัธรรมเทศสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านการมารมณ์ ร, ราคะจริต <c oughs> ในด่านความรักสวยแลกงามยังไม่ถอนตัว ได้ว่าไม่เผลอไม่ละเมิดศีลในด้านการมีสมิชาจาร์เท่านั้นมาถึงพระสีธาคามีท่านบอกว่าทำโลภะความโลภทำโทสะความโกรธทำโทสมุหะความหลงให้เบาบางหลงยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะ ื่อตัดความรักสวยรักงามไม่เป็นอนันว่าทา้าถิงพระสกิธาคา ม, มีก็ทรงความดีเท่าประสณด่าวัา น, นแต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสีทาคา ม, มีนั้นเต็มเปีป่ยมไปด้วยรวมบริหา ร, มมรสีมีความเมตตาปรานีกับบุคคลและสัตว์ผู้มีความล า, ม บ, บ, มามบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อยู่เป็นปกติ ถ้าสิ่งใดไม่เกินวิสัยที่ตนจะให้ได้ก็เต็มบริการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์ บ, บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นชื่อว่าเป็นผู้บรรเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสีธาคามีตอนนี้มาในด้านของความโกรธพระสธีธาคามีก็ยังมีความโกรธแต่ได้ว่ามีการให้อภัยเจ้ บ, บุคคลผู้ทำผิด ไปจัดปตรียมยาานั้นี้เว้นไม่แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวินัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้จะให้อภัยไม่ได้ต้องทำตามแบบจำ บ, บัด ท, ทุกส่วนสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระเด้าทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทำลายระเบียบวินัยนันนี้ว่าจันถึงด้าน ความหลงพระอนาคามีก็ทำจิตให้มั่นคงในเรียกว่ า, ากายสกายตตานุสติสกายติธิที่เจริายม่ารงกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เที่ยงอยู่ก็มีความรู้สึกเล็กน้อยคำว่าไม่เที่ยงเห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้าง ยังทำใจไม่แน่นอนไม่ทรงอารมณ์เป็นเอ ก, กตาอารมณ์นักและมีความไม่ประมาทในชีวิตจริงขึ้นกราคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับโมรณานุคติมากขึ้นเป็นอารมณ์มากขึ้นมีความไม่ประมาทจึงมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าใหม่ถ้าจะต้องเกิดก็ขอเป็นคนด้วย จะรวยได้ก็ต้องการให้ทานตัดโลภะความโลภไปบ้างตามสมควรคนที่ให้ทานได้แสดงว่าคนมีคนนั้นมีความโลภน้อยมีพฤติกรรหนึ่งก็ต้องการมีความสุขมีความสำเล็จในสมัยที่จะเกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตาสาวสวยมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มีทรงพมียาหารสี่และมีอภัยทานเป็นปกติ จิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขถ้าอรมณ์ในชาตินี้เป็นสุขอรมณ์เกิดในชาติหน้าในกายเกิดใหม่ก็เป็นสุขก็ไปจิตดวงเดิมนี่นั่นมัหาความหลงท่งานตัดใจตรงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนี่เจ้เห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็ทรงรับรองว่าพระสกิทาคามีนี้ยังไม่สามารถทําลายราคะเจริตตรงไปได้ นี่ที่อาต ม, มาเคยเขียนไว้ในหนังสือก็ดีอธิบายไว้ก็ดีว่าทุกคนได้ตัดใจทําลายราคาจาริตให้หมดแต่นดักต้นนั้นผิดอาต ม, มาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ควรในแกการให้อาภัยเพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกําลังใจของุคคลอื่นคิคดถึงกําลังใจของตอนเองเป็นสําคัญ คิดว่าตนทําแบบไหนได้คนอื่นจะทําแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าเจริญของบุคคลจริยาของบุคคลกําลังใจของบุคคลย่อมไม่สม่ําเสมอกันไม่ได้เอาพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระทรง ท, ง ท, งทงนตามลาดับมาพูดในแก่บันดาพุทธบริษัท ฟ, ฟังฉะนั้นการที่พระหมหาวาพิษทรงติ่งมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่ นี่ก้าวต่อไปถึงบุคคลที่จะทำลายราค่าเจริญเต้ขาดอันนี้องสมเด็จพระบรมโลกก็น่ายกล่าวถึงพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี่ตัดได้ขาดแน่แต่ว่าถ้าพระหมห า, าพิทเจ้สงสัยว่าตอนต้นกําลังใจยังไม่ดีตัดไปยขาดจะมาขาดก็ได้ยังไงในตอนนี้อาตมาก็ต้องขอถาวายพระพร ว่าถ้าจะทบทวนกำลังใจไปตั้งแต่ต้นจนกระั้งถึงอนาคามีใจเห็นว่ามีความเข้มแข็งของกำลังใจมากขึ้นตามลำดับร้อในลำดับแรกคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนานาน่นไปด้วยกิเลสคนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปลดหมดสติ อดร้ายนี่คกะสิ่งข้อที่หนึ่งทำลายสิ่งข้อาราณามือไว้ได้แก่การลักกายขโมยแย่งจิงวิ่งราวเป็นต้นคดโคงเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าระมิดในกามารมณ์ไม่ได้การมือสมิชาจา์พูดปดเป็นปกติชอบพูดความได้ไม่จริงหมดสติเอาน้ำเ ม, มาเข้ามาย้อมใจไว้เสมอจริียดงเข้าไปแดงกายใจมันก็ประมาท มีคนที่ปีเป็นปุติชนบุญหนาแน่นไปด้วยกิเลสได้สุดได้ทรงความชั่วห้าประการครบถ้วนบางคนจะ ด, ดีขึ้นมาบางก็เว้นได้บางข้อแต่บางท่านบอกว่าทำประละมิดเพียงแค่บางข้อสองข้อเท่านั้นข้ออื่นไม่ทำแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ได้สัมผัส สิ่งที่มันยังไม่เกิด้นมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้มันก็ไม่ถูกนี่เป็นอันว่ากาลังใจของคนที่ปินปุถุชนสร้างความชั่วห้าประการได้ครบแล้วก็ทำมากกว่านั้นก็ได้แต่ต่อมามาควบคุ ม, มกำลังใจบ้างเล็กๆน้อยๆในกำลังของฌานก็เป็นคนมีสินดีบ้างมีสินชั่วบ้างคาว่าสินชั่วก็หมายถึงว่าสินขาด พอจิต ใ, ใจเจ้าก็มาถึงเพื่เป็นพระโสดาบันเขาเนี่ความมั่นคงของขขจีตเกิดขึ้นเอ้อหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระอริยสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิบริบูรณ์หมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พร่จะเสมีนิดก็จะมีพระมีหันพรมีหานสี่เป็นปกติ แล้วก็มีหีลี่หตาปากเป็นปกตินี่เป็นอันว่าสำหรับพมีหางสี่ก็เป็นอย่างแบบเบาๆกระโสนดาบัญญินว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาผูุ้ชนคนหนาเน่นไปได้กิเลสมากต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสี่ห้าขามีก็ทำลายความโลภเพลิกันจากะตามที่พระมหาภพิษ์เคยพิจารณา โดย่อวิริชัยมาให้โสให้ทราบว่าใช้คําว่าละสละหรือว่าละเพื่อความสุขของวุคคลเองคําว่าละจริงๆก็อเป็นอาหารอาตมาขอใช้คําว่าสละไม่ใช่เสียสละเสียสละการที่พระมหาบพิตรวิริชัยมาบอกว่าเป็นเรื่องของปุิุชนเนี้ยอาตมาเห็นชอบด้วยแต่สำหรับพระสยทาธรรมมีนิช้คําว่าสลละ เสลัอย่างชนิดไม่มีเยื่อใยอะไรนักแต่ต้องดึงเพราะรมใคร่ยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภให้หมดไปแล้วมีกำลังใจในด้านพ ม, มีหานสีสูงขึ้นเลเอีกขึ้นจนเป็นอันัยานหรือว่าเกิดต่ให้อาภัยได้เป็นของมันเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนักและความหลง ลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามาอารมณ์ที่จะสงได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัดในตอนที่จะก้าวเข้าไปสู่ขั้พระอนาคามีจึงเป็นของไม่ยากการที่จะสรงอารมณ์ทำลายราคาเจเห็นว่าร่างกายสวยวัตถุธาตุสวยให้หมดไป ทำความรู้สึกในเพศเทสิ่งไปอันนี้จริงๆขอไม่ยากเพราะว่าเป็นการก้าวมาตามลำดับเวลาหลษนิดน้อยแตา ม, มาขอสรุปเป็นอันว่าสาหรับราคาจริตขอพระมหาบพิตระบรรดาท่านพระบริษัทผู้รับฟังได้โปรดทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจรารณาไม่ใช่ไม่ใช่กรมกรมาฐานภาวนา พิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนในร่างกายเขาบุาคคลอื่นพยายามหาความสขงกให้พบถ้ายังไม่พบก็นแสดงว่าอารมณ์ยังมึอดอยู่ทั้งนี้พระว่าองค์สมเด็จพระบรมะมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพักร์วันทรงตัดทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่คำเท็จนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากัน ว่าทำใดเน้อแลที่องค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนเป็นสั์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแท่งทิพข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้เป็นยาคลำํำหยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อลักษณะมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้ น, นานๆสะอาดเดรียกว่าสกปรก ก็จะเห็นเลยว่าเป็นของสกปรกแล้วดูส่วนต่างๆของร่างกายเช่นอวจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสเสลต์น้ำลายเป็นต้นหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ที่ว่าสวยสดสวยงามไปหยิบไปจับเอามาตามท่างทิ้งไว้เอาเอาคลายเอามาจากต้นตัดมาแล้วไปวางไว้เฉยๆแล้วใส่แจกันไม่มีน้ำ เพียงแค่ไม่สิ้นวันก็จะแปลสดาแน่การหิวย่นความสุโปรกกลิ่นหอมจะหายไปอันนี้อาจมาพ่อขอถวายพระพรประมหาภพิษและก็ขอกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านว่าการใช้เอาสุปสัญญาก็ดีกายกระตานรุติกรรมถานก็ดีเป็นการทำลายราคาจริตนั้นก็ใช้ต่างกำลังจิตของตน